ต้องมีได้ทุกข์สิ่งทุกอย่างบรรดาทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยมีทั้งนั้นคือสมุทัยเป็นทั้งหมดวิเลกนั่นน่ะเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์นี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วทั้งทางกายทั้งทางจิตใจเรื่องของทุกข์ทําไมจึงดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ทางกายมันเกิดมาจากไหนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมันมีสาเหตุมาร่างกายสะดวกสบายดีอยู่แต่ว่าจิตใจวุ่นวายขาดแคลนมีความทุกข์ความลําบากเหมือนกับไฟ เขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้ามันก่อไข้เขาก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาพระอาจารย์ได้ดับฟังนี่จะมาค้นดูให้ดีนี่มันสอนดังชัดเจนก็บ่เคยจับสองผมค้นระหว่างหนังเนื้อเอ็งกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมาให้หัวใจกับความถูกกับผิดกับปฏิกิริยาแค่น้อยอหังมันอันเก่ามีสิทธาทัทภติหาแท้ๆเป็นสุขอาการพิจารณาเลย ในลักษณะบางๆของมันห่อหุ้มห่อรอบตัวนี้กระจับเตี้ยนโตมีหลังห่มอยู่ตรงที่สุดรอบแล้วบางๆเข้าเวลามันเข้ามาไอ้กินรอบทะโล่งนอกจากนั้นก็ไปเป็นไปด้วยปุโคโลบิน้ำเน่าน้ำหนองนี่เป็นความจริงพิจารณาอย่างงั้นมันถึงความจริงกระจับภายในแต่ถ้ามันมันจะขัดมลายอุปทานเรื่องความรักกายก็เพราะความสําคัญว่ากายนี้เป็นดาวเป็นของเราเป็นของส่วนของหนังนั่นเอง เมื่อยานเราให้ถึงความจริงของมันแล้วหากรรมงานต้นสาบสดหาความเสียงแท้ถาวรต้นสาบสดหาเป็นต้นเป็นตัวที่ไหนที่ไม่ปรากฏเนี่ยไปเนี่ยไปต้องเป็นภาค 4 ในน้ําบึงไพรจะหมดเนี่ยเรามาถึงเงาที่ไหนตีนภาค 4 ในน้ําบึงไพรพรรณนาอย่างไม่ไปที่จะนางกับชัดเจนสิสติบังคับตรงไปเห็นว่ากายก็เห็นพักจริงในเงากายกายในกันเนาะ กาละปุถุชนก็ได้ดูกาละมันเหมือนกันนี่แหละกาลในท้ายกาลในตาส่วนใดตัวหนึ่งของอายตนะทั้งหมดเวทนานัยตนะนอกนี่สําหรับการปฏิบัติเราจะถือเอาสิ่งเค้าเกิดความทุกข์ความลําบากร้องให้เสียใจอะไรเหล่านี้มาเป็นขติสังใจเราก็ได้แต่มันเผินๆมันนอกอ่ะเวทนานอกเวทนาในสําหรับการปฏิบัติในความรู้สึกของผมนี่ มันมั่นมันก็เอาตรงเวทนานอกแล้วเจอทุกขเวทนาทางกายเวทนาในไม่เจอทุกขเวทนาทางจักษุทางใจถูกเมื่อว่าถูกว่าทุกข์ว่าทุข์ทั่วๆมันมีจิตคิดทางใจพิจารณาเลยนี่สิจิตมันคิดมันตุงเรื่องราวอะไรคิดมันกายเวทนาจิต ผầm เอาตะกิเรื่องร่างกายนี่มันก็เข้าไปถึงการหมดนั่นน่ะ พอมันเกี่ยวโยงกันนี่นะเข้าใจพิจารณานี้แล้วจึงพิจารณานั้นจึงพิจารณานั้นเหมือนทุกสังขารโลดนั้นเนี่ยเกี่ยวโยงกันพอกํากําหนดเรื่องของสังขารเท่านั้นแหละเมื่อทุกข์เกิดขึ้นนั้นก็รู้แล้วว่าทุกข์เกิดขึ้นนี่ตั้งต้นแล้วนี่เป็นเครื่องสะดุบตายแล้วเนี่ยมันทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุไรนั่นแล้วก็ค้นหาสาเหตุของทุกข์มันได้ค้นจากสังขารได้นี่การค้นหามันไม่ไม่เรียกว่าหาแต่เรียกว่านั่นมันเกี่ยวเนื่องกันนี่นะ สติและปัญญามันเรียกว่ามรรคก็เรียกว่าอานพิจารณารู้เท่าตามความจริงของมันแล้วทุกข์ดับไปเป็นลําดับนั่นก็เรียกว่านิโรธฮะเกี่ยวโยงกับอย่างนั้นเองสติปัฏฐาน 4 ครับวิยาสติพิจารณาอย่างไรมันก็เหมือนกันก็จะพิจารณากายตนอารมณ์สับตนได้ตนหนึ่งแต่อารมณ์กําหนดภังคติตั้งสติตรงนั้น มีแต่ความรู้กับอารมณ์ส่วนนั้นติดแนบไปนี่นะมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงขึ้นมามันกระจายกระจายไปมีการพิจารณาคือมันมีมาได้ความชัดเจนสําหรับตนเองมาดูพี่น้องผีนะงั้นต่างๆทั้งกระบวนการนั้นก็เลยทราบว่าเรื่องสมาธินี่เป็นได้แน่แล้วเรื่องความมีการพัดเย็นเกินถึงนิด ทรงติดตรงใจทั้งแม่นะคือนี่นะเป็นพี่น้องผิดนะเห็นนั้นจริงๆน่ะมันสร้างสร้างตรงนี้เกิดการเสด็จของเอกานิกายให้ไปโอ้กายนี้นี่จริงๆเหมือนเราไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอเพิ่งเห็นวันนี้อ๋อเหมือนตายในตายกายในกายและกายพวกกายนี้ที่ร่างกายและกายสรรพสนนั้นก็ได้กระจายไปหมดพังไป พลังมันก็เปลี่ยนลงไปเป็นเป็นหลักธรรมชาติมันเองนี่เวลามันเห็นกระทัพแล้วธาตุธรรมมันลงลงหมดดินก็ลงก็ดินน้ําก็ซึบลงไปดินก็หมดเป็นไอขึ้นอากาศก็มีในขณะที่จะมาทีนี้เมื่อน้ํามันซึบออกไปหมดแล้วซึมลงแล้วมันก็เหลือแต่หนังแต่กระดูกคือกายของดินเห็นกระทัพ ลงไฟล์ไปให้หน่อยเสร็จกันลงก็อย่างเต็มที่ไม่ทราบว่าลงจักกี่ชั่วโมงเออถอนขึ้นมาแล้วมันว่างหมดเลยพอท่านดิจิตถอนออกมาแล้วก็ดูมันว่างไปหมดเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาแม้กระทิที่เรานั่งอยู่นั้นก็เหมือนไม่มีสติเลยร่างกายก็เหมือนไม่มีถอนออกมาแล้วมันเป็นเนี่ยอํานาจของธรรม <เอ อ. S 1> ที่น่ะเห็นใจอย่างชัดเจนแล้วลงได้อย่างสนิทเป็นที่เป็นถามมันเมื่อติดถามขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างว่างอยู่ตลอดเลยหลายวันอํานาจของจิตไม่เคยไปกราบเรียนพระมหาสิวาจารย์ท่านก็ต่อพระท่านคืออธิบายเพิ่มเติมไปเลยมันต้องอย่างนั้นน่ะมีผมเคยเป็นอยู่ที่ท่านใหญ่ศึกษาท่านยกใหม่น่ะ เป็นเหมือนท่านมหาเนี่ยนี่มีพวกพูดแบบเดียวกันทั้งนี้แหละท่านว่าวะคือท่านยกขึ้นผมเป็นมีที่ทำบริการเป็นในขนาดนี้คือมันลากไปหมดเลยก็เขาลากไปหมดแล้วมันว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตที่เป็นของอัตตัญล้วนๆทั้งนั้นที่ฝากอยู่สูงอยู่ต่ำไม่ได้ไปสนใจกำหนดกระเทือนมันอัตตัญอยู่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นทั้งนั้นมีแบบเดียวกัน ปัญหาพวกที่เราเล่าเป็นหมักเป็นหมักเป็นหมักเล่าถวายท่านมีความเป็นห่ามันเป็นคนเดียวนะเป็นแบบนั้นไม่ใช่มันจะเป็นตลอดมานี่ทางหลังเราพิจารณามันทํามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมเป็นทั้งที่เห็นการเหมือนกันเห็นการแต่การที่เวลาพิจารณาแล้วมันมีรูปลักษณะต่างๆต่างๆเห็นผิดกันไปโดยมันเราถึงไปกับเรียนท่านเล่าถวายท่านอีกนี่บอก มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นหุ่นเดียวเท่านั้นแหละทั้งนั้นผมก็เป็นหุ่นเดียวทั้งนั้นมาเป็นอีกเลยทั้งนั้นทีนี้มันจะเป็นลักษณะไหนกําลังเป็นไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติเข้ามาเลยอย่าไปปลุมไปแต่งเลยทั้งนั้นนั่นน่ะเป็นความคิดเรื่องล้วนท่านก็สอนอย่างนั้นมาเราก็เป็นที่แน่ใจแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกอย่างนั้นเห็นหุ่นเดียวแล้วเห็นกายเห็นกายอย่างแตกพระหลักอสุจังถ้าต่อมามันก็ลงลงแต่มันมันไม่ได้ง่วงทั้งหมดอย่างนั้นมันลงไปพอที่ ข้างล่างในสภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดงั้นมันมันว่างสภาวะติดแล้วยังไปแล้วมันว่างไปหมดในจิตมันโล่งหมดโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยว่างปราศหมดนี่ก็ภาพลักษณะที่ในตัวโลกังเรียกครับสมเมตสุเวทพระจุดโมคคลาจตุดาตะโตเกี่ยวกับโมคคลาเธอพิจารณาเห็นว่าโลกทั้งหลายเป็นของล้างปราศนี่ก็คําลักษณะนั้น ส่วนสมัยนี้ก็นานคานทอนาตัวนี้ในเรื่องได้เราหน้าจะเรียนได้เราทํางานหน้าที่เดียวนี้เท่านั้นหน้าที่ที่จะมาคอนน่ะเราถ้าสงบก็ผ่านมันเป็นที่เป็นฐานมันก็สงบได้ถ้าจะฆ่าทางปัญญาพิจารณาแยกแยะในธรรมอขันธ์ก็ให้ทําหน้าที่เหล่านั้นให้มีความรู้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงนั้นจึงนั้นเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรเหมือนกับโลกไม่มี นี่แต่สิ่งที่เราพิจารณานี้เท่านั้นนั่งคิดไปทั้งจริงมันต้องตัดตรงนั้นมันทําอะไรให้ตัดตรงไปปะปะไปคิดงั้นเกิดความอ่อนแอครับปลุกติดขาบาตรกรอบกรอบไม่มีน้อยสําหรับผมน่ะปลุกทั้งมากนี่นี่กับปลุกติดให้เกิดความกล้าหาญทางภัยมากกว่าครูเห็นเจ้าของเงินขั้นต่อล้วนนี้โอ้โหมีอย่างมากไม่เลย 5% ไปต่อๆจนไม่ลืมไม่ได้ว่างั้นน่ะ แต่เรื่องโผนี่เอาเอาจริงๆแล้วดิมันก็ได้ผลด้วยการสู้กันหมู่คู่นั้นหมายถึงว่าคู่คิดมันก็คู่กิเลสประเภทประกอบในขณะเดียวกันก็คู่กิเลสอืมภาวนาละว่าสู้คิดมันคือสู้กิเลสเวลาทรวดนะก็เวลาเอาน้ําหนักสู้น้ําหนักแล้วกิเลสมันกระทายไปไปรูนอือมันได้ผลเวลาไหนที่เราเอาเป็นที่เป็นฐานเอาคิดก็ฮวาดตรงนั้นมันได้อย่างคุ้มค่านะ แล้วก็อยากจะนั่งตลอดรุ่งอย่างงี้ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้ขออาราธนาขึ้นมาชมอืมมีชมขออาราธนาได้ครองอาราธนาคืนหลายๆครั้งแต่การพิจารณาเราจะเอาไว้จากเวลาเราเคยพิจารณามาถ้านั้นมันเป็นบัญญัติอดีตเข้าหลักปัจจุบันหลักปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นประบวนของสิทธิปัญญาคิดขึ้นคิดคลื่นขึ้นในปัจจุบันเป็นขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันปัจจุบัน ถ้าสิ่งไหนมันคงกับของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันของอันนั้นเกิดขึ้นมาเองแล้วเออเหมือนของเก่าก็ไม่เป็นไรเพราะเราเราจะต้องพิจารณาฮะเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เอานั่นมาถ้ามาหมายไม่ได้เหมือนเราคิดใหม่ปฏิงาว่าคิดใหม่ได้ใหม่ได้ปัจจุบันแก้กันทันฝันมีนักทหารต่อความตายเพราะนั่นก็ระลุ่งนี้เนี่ย ถ้าสู้กันดําเอาทายสู้ธรรมะถอยไม่มีนอกแต่ตาย 1 ต้องวางเป็นวันใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเพราะมีเกณฑ์กําหนดกันอย่างนั้นตั้งกระทั่งทีเพราะว่าจะมาใหม่ถึงจะลุกนี่ 2 ตายต่อยหมดสติไส 3 ถ้าสลบล้มลงไปเมื่อได้สติได้จะลุกขึ้นนั่งทันทีเพราะแม่ไม่มีมีข้อแม้เฉพาะ เพราะว่าสังที่ 60 ชั้นเกิดขึ้นภายนมัสในข้อนึงตรงไหนก็ตามมาปัจจุบันกําลังนั้นย่อมต้องออกจากที่นั้นทําลําเรื่องของตัวเองแล้วไม่มีข้อแม้ให้เลยถ้ามีข้อให้มันจะมีทางออกเช่นเล่นแต่เอ่อปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันจะหาเวลามันทุกข์มากๆมันจะหาอุบายปัสปวดปัสว่าหามาอวดอุจจาระอย่างนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้เรื่องเอ้าทํามันจะออกเวลานั้นปางคลากออกเลย ต้นบักขี้ก็ตัดแม่ขี้ก็มือแม่ขี้ได้แล้วมันก็เป็นเด็กๆมันมาโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วล้างไม่ได้เหรอเนี่ยขี้ตัวเองมันล้างตัวเองล้างไม่ได้เหรออ่ะไปฮะตัดลงไปเลยเมื่อมันมีทางออกที่ทางน้ําอืมตกเข้าไปในน้ําตกเข้าไปในดันตกเข้าไปในมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆเมื่อจนเค้าก็สติปัญญามันขึ้นเนี่ยทุกข์กันมากนี่เหมือนกับไฟที่ร่างกายทั้งทั้งร่างนี้เหมือนกับไฟมันเป็นไฟไปหมดเพ่งสติปัญญา เมื่อเราละจนกรอกมันจะอยู่เฉยๆด้านนึงนะเพราะจะออกมาต่อไม่ได้นี่ถ้าถ้าจะทําความสํานึกหมุนติ้วเลยถ้าทําสํานึกเหนือชีวิตน่ะอ่าถ้าว่าเราจะพลานความสํานึกให้ละตายเสียดีกว่าอย่าให้เหลือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกภรรณาอื่นเป็นโมฆะพิสุทธิ์ถ้าไม่ได้หน่อยมันมีข้อคําหมุนติ้วๆเมื่อมันเป็นกรอกทุกขเวทนามันเกิดมาคนนี้อะไรเป็นทุกข์นี่คือตัวสําคัญนะ อันแต่ทุกข์ที่ตรงไหนมันฮะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์มากกว่าเพื่อนทับสุดนั้นก็ไปแยกและดูอืมทุกข์ทุกข์นี้หรือเป็นนาวหรือทุกข์ทุกข์นี้หรือเป็นกายถ้าว่าทุกข์นี้เป็นกายแล้วทุกข์ดับไปตายทําไมมันไม่ดับไปด้วยหรือว่าหนังนี้เลยเป็นทุกข์เนื้อหรือเป็นทุกข์เอ็นลิกกระดูกก็เป็นทุกข์ทั้งว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์จริงเมื่อทุกข์ดับไปทําไมสิ่งนี้ไม่ดับไปด้วยทําเป็นอันเดียวกันมันก็ดับไปด้วยค่ะหรือจิตนี้หรือเป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นทุกข์สิ่งนี้ดับไปแล้วทําไม สิ่งยังเหลืออยู่ตั้งแต่ยังมานั่นก็นะนี่ทุกข์ก็ยังไม่เกิดจริงๆนี้ทําไมมันมันมีถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันน่ะมันยากมันยากหมุนติ้วหมี่ติ้วอย่างนั้นทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งจิตยิ่งขยับก็ขยับก็ถอนไม่ได้ในเวลานั้นน่ะถ้าอยากจะให้ทุกข์หายเท่าไหร่นั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกมากเหมือนกับเข้าตัวหาแล้วหายไม่ต้องว่ากันให้เห็นความจริงของทุกข์อะขอสาธความจริงนี้เพราะนั้นเป็นเป็นที่พราะใจคนนึงเข้าไปคนนึงเข้าไป พอทราบครับว่ากายหรืออาการต่างๆแต่ละแต่ละอาการนั้นมันมีจริงของมันแต่ละอย่างๆตามองค์ธรรมมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์แม้แต่ทุกขเวทนาที่มันแสดงตัวดิสังยุตเด่นทักนั้นมันก็ยังมีความหมายตัวของมันเหมือนกับไฟเนี่ยหือผู้ไปสัมผัสต่างหากว่าร้อนนะเราไปสัมผัสไปว่าร้อนตัวไฟเองก็ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือเย็นอะไรไม่มีมันมีความหมายเมื่อไปหรือไม่มีความหมายในตัวของมันเองมันเป็นทุกข์ที่มัน เป็นนิสัยท่านไม่ถันนอนความเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเราจะกระเทือนแล้วมันก็ถอนทุกข์ถอนออกปฏิบัติมันคิดเป็นทุกข์จิตก็มันเป็นทุกข์จิตก็รู้อย่างชัดๆทุกข์อันนี้ก็มากกว่าดีนั้นแยกแยกทางกายแยกเวทนาแยกจิตดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเปรียบเทียงทางอันไหนมัน มันเหมือนกันอันไหนก็อันเดียวกันหรือว่าเป็นอันเดียวกันเนี่ยอะไรเรียกอะไรท่านก็รู้นะชัดไม่ใช่อันเดียวกันถ้าถ้าสมมุติว่าคาเยธนาสัตว์ก็เยธนาทั้งนั้นที่ก็คือจิตทั้งนั้นต่างอันต่างสิ่งทีนี้เมื่อต่างอันต่างสิ่งแล้วมันกระทบกันถึงทุกข์จะไม่หลับลงไปพอตามันก็ปัจจะวะทุกข์มันไม่มีคําเลิกพอที่จะมาทํานายจิตใจเราให้ดั่งไรบ้างนี่ทีนี้มันก็มีเกลอเห็นมั้ย ให้เชื่อก่อนเนาะมีจิตมีกอบเห็นเนาะทุกเกิดมาจะเกิดมากมายมีหน้าอย่างสามัญสมัยก็เห็นเป็นจริงทั้งนั้นฝักเฉพาะเวทนาทั้งนั้นมีประการประการที่ so 2 นี่มันผู้พิจารณาดับรวดสําหรับเราปฏิบัติตัวนี้พอผู้พิจารณาดับแล้วร่างกายทุกส่วนเหมือนกับสายเป็นพร้อมเลยไม่มีความรู้สึกในส่วนใดแต่มีความรู้สึกเหมือนอ่ะสลายหมดทั้งกายสลายหมดทั้งเวทนา เยอะแต่ความรู้เตียบประจําล้วนๆมีอันหนึ่งมันเป็นอยู่ 2 อย่างนี่เราจะมาเมื่อมันได้ย่างถึงขนถนัดแล้วทําไมมันจะไม่เกิดความเครียดความสงสัยทําไมจะไม่ดุดืนทําไมจะไม่อาฆาตติดตายเพราะสิ่งที่จะอาฆาตเป็นปฏิปยาอยู่แล้วคือจิตดรมอัปปะกัญที่ปรากฏน่ะในเวลานั้นเมื่อได้เยือกแยกเราหมดแล้วยังเหลือแต่จิตจะแสดงความออกให้กันได้เห็นนั่นแหละที่เมื่อได้ขึ้นเวที จะต่อสู้กันดูแล้วมันก็พอพัดพ้อเวียนไปในระยะต่อไปมันมีอุบัติของสติปัญญาวันหนึ่งขึ้นเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งขึ้นเนี่ยหนึ่งขณะขึ้นหนึ่งขึ้นเนี่ยหนึ่งอย่างเรียกว่าสติปัญญาเจ้าของต้องคิดต้องค้นขึ้นมาเองสติปัญญาเกิดในจิตอันเดียวกันเป็นเรียกว่าอะอืมสังขารนั่นแหละทั้งที่ความคงขึ้นมาแต่ทั้งขันธ์นี้เป็นทั้งฐานใต้แก่สังขารอันนั้นเป็นสังขารปะทุกข์ก็มาปลายสังขติเดชเรียกว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทรไทย ลังเลมาเป็นคำถามก่อนมาเป็นสติปัญญาแก้กันได้เมื่อได้ของหนึ่งแล้วเป็นปฏิวัญญาแล้วข้างหลังไม่กลัวเนี่ยอ่ะเป็นไหนเป็นกันไม่กลัวผมลงแน่นอนปุ๊บระวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นนี่ต้องสว่างมีท่าเดียวเท่านั้นถ้าเป็นอย่างอื่นเราได้พิจารณาดูแล้วเรื่องทุกข์เวทนาเนี่ยได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริงเรากลัว<ใช> ทีนี้นั้นเมื่อผัดขันว่ามันตายดิอะไรมันตายถ้าสิ่งนี้นั้นลงไปเคยตายจากโลกมลายนี่ข้อร่างกังเรานี้ก็คือภาวะทีนี้นั้นลงไปแล้วดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมลมพัดไปไกลก็ยังรู้อยู่อย่างเด่นๆนี้แล้วมันจะตายได้ยังไงคําว่าตายยืนโกหกกันทั้งหลายมนุษย์ท่านประทานประทานมีอ้าวทุกเวทนาถึงเวลาจะตายนั้นน่ะมันจะมีหนาแน่ ไปขณะไหนก็คือทุกขเวทนาที่เราได้เห็นประจักษ์เราได้พิจารณาอยู่นี้และรู้จริงอย่างจริงกันอยู่ขณะนี้แหละไม่มีเวทนาหน้าไหนตลอดเวลาตายฉะนั้นจึงหาความกลัวเวทนาไม่ได้ถ้าท่านทําความจริงของเวทนาได้จะเป็นถึงขี่ตายเข้าตายไปถึงไม่หลงหนักแล้วก็เป็นจริงด้วยนะในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันจะเอาสิ่งมากลางเช่นวาระจะตายที่อยู่น้องๆผีที่ว่าถ่ายถึงอ่านี่ท่าน ถ้าอาเจียน 2 ครั้งนั่นน่ะมันจะไปถึง 99% แม่เห็นมันเถอนี่ไม่เห็นมันกลัวตายเลยหือมันจะไปนี่ยังเหลือเหรออ่ะเอาไปกระปายเนี่ยมันสนุกพิจารณาร่างกายนะครับท่านมันจะปลายขึ้นความพิษเข้าไปจนลำคอมันสดมาตรงข้างข้างล่างแล้วพรดขึ้นมาอยู่กลางหัวใจเนี่ยข้างบนก็พรดลงไปข้างท่านขวาพรดเข้ามาป๊าบกันเลยฉะนั้นแล้วก็ร่างกายก็หมดความหมาย ศีรษะการเป็นร่างกาญจน์ถึงธงไม้ทําเกินไปแล้วหูอยู่เลยหนวกไม่ใช่หนวกไม่ใช่บอดไปแล้วเลยนั่นกันแล้วเป็นทําให้บางทีทุกขเวทนาดับหมดนี่จึงได้เชื่ออย่างแน่ใจมากคนเราเวลาตาถ้ามีสติถ้าเรื่องของตัวเองอยู่อย่างชัดเจนแล้วขณะจะตาน้ําเวทนาต้องดับหมดอันนี้มันมันดับขณะที่เวทนาดับหมดทั้งนั้นที่ทุกขเวทนาอย่างสาหัส พอถึงขั้นจะไปถึงแล้วก็คันธุกชาติคําลสุดที่มันหกตัวเข้ามาวูบเหยอาการพามกันหมดเลยถ้าอยู่ตรงกลางนี้ตรงกลางนี่ก็สัตว์เตวโรนะแต่ว่าเป็นจุดเป็นป๋อมแห่งสรูรู้อย่างงี้ไม่มีผู้ได้แต่ภัตตะวรุงั้นสัพพเวทนาดับอะไรมันดับร่างกายดับหมดสภาวะนิสสิทธิ์ของกายเองและสภาวะนิสสิทธิ์ทั้งทั้งกษัตริย์นะ 12 เป็นจุด ทุกเวทนาก็ดับพร้อมกันนั่นต่อนั้นตอน 99% มีวิทย์ตัวหนึ่งจะไปดึงทีอัลฟาก็ตายกระหม่อมที่นี้ขยับเข้าอีกมันก็จะช่วยมันไปมันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่งเพื่อมาพลังทั้งหมดที่กําหนดสภาวะไม่เพียงพลังทําให้จิตมันสร้างเอาต่ออีกรับรู้ในสิ่งต่างๆโลกต่างๆทั้งร่างกายหือไปเลยเออก็ยังมีชีวิตแหนะถึงงั้นไม่ลืมนะ ครั้งที่ถึงจุดป้องเป็นงั้นนี่คิดอย่างนั้นด้วยเราจะปังจะไปซินึกเหรออ้าวไปไปไปนี่กําหนดภาพเพื่อเลยเปลี่ยนมันไปนี่คือไปอย่างหายหนวกคุณนี่ครับไม่ได้ถึงไหนสักพักนี้ระยะนั้นเราก็ไม่ได้ถึงไปไหนแล้วนี่ยอมมาสัมมนาน้องถึงหลังจากโครงการศาสตราจารย์อํานาจภาพไปแล้วในเดือน 3 เดือน 8 เราก็กลับมาพอมาสัมมนาทีนี้ทั้งใช้ทั้งใช้ทุกอย่างแล้วพูดตามความจริงนี่ แล้วนั้นมันสมประคาดความจริงเหล่านี้ที่มันกันกระทามันก็ไม่เห็นมันตัวอะไรมันตามมันรู้กันทุกระยะระยะจนกระทั่งถึงว่าหมดทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสขนาดถึงจะทานที่ขนาดถึงขั้นตายมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่พั้งไม่เผลอจนเวทนาทุกเวทนาในร่างกานี้ที่เป็นสาหัสดับลงหมดเพราะกําลังสติสัมปชัญญะหดตัวเข้ามาวรูปเวทนาทุกเวทนาก็เป็นอานาถดับไปพร้อมกัน กับความสามารถทุกทางด้านนั่นการอ่าแต่นี้เยอะเลยเอาไปต่อป่านนี่ไม่ได้แต่ความรู้นะกําหนดปรับความรู้นะไม่ถึงนาทีนะมันสร้างออกอีกพอสร้างไปหูก็ได้ยินตาตาฟังก็สัมผัสก็มองเห็นความรู้สส่วนร่างกายก็รู้ที่ทุกเวทนาก็เริ่มขึ้นก็สาหัสเหมือนอย่างที่เคยเป็นสาหัสไม่ใช่สาหัสในส่วนนามปาทะนะไม่ได้สาหัสในจิตนี่มันไม่ได้เข้าถึงจิตนี่ ที่เป็นปกติอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากประตูช่วงเปิดประตูช่วงออกมาถ้าที่คอยอยู่ข้างนอกมองอยู่นานตกตะลึงสิขึ้นก็บอกตานี่มันดําหมดแล้วเหมือนคนตาไม่เพราะทําไมกันกันได้งั้นน่ะเราก็ยิ้มนิดนึงแล้วพูดผมเกือบตายเลยถามในตาคู่นี้แล้วคู่ก็ยิ้มๆเพราะเราไม่มีอะไรเสียใจดีกันเป็นปกติติดถ้าไม่เอ๋อขึ้นอีกเป็นบ้าคงอ๋อได้ตามาเป็นอย่างงั้น ลองดูท่านที่นี่พระเข้าใจเราเถอะนี่นะแต่นั้นมาเราเลยไม่ใช้ปฏิกิริยานั่นอีกไม่พูดอะไรมีแต่บอกบ้างนี่บอกแล้วเราเสือมาปูที่ตรงนี้ข้างนอกนี้แล้วหมอนมาปูมาที่เราจะนอนที่นี่เราบอกบ้างพระพระนี้มันน่าพักนี้หมดเนี่ยเรานอนคนเดียวนอนคนนี่ทําให้รู้เรื่องของหมึกเพื่อน ทีนี้เวลาเราฟังนี่เราเชื่อหูเพื่อนไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้เนาะมาเอาเลยนะอืมมองให้เราก็ตอนตอนแรกอ่ะตกใจก็ว่าสถานมันเป็นประการประการที่ 2 คือเรายิ้มแล้วพูดออกไปจะพูดมันเสียงมันมีแต่ตาไม่ยิ้มๆนะมันไม่มีเสียงนี่เหมือนกับลิงพูดทําคําทางยิ้มนี่ตรงหน้าตื่นกันตรงนั้นอีกสิอ่านะนะเป็นอย่างงี้นะครั้งที่ 2 นี่เราสะดุ้งทันทีอย่างนี้ถ้าเข้าใจเวลาเผลอนี่ มันมันเถอะไปไหนมีด้วยกัตตมชาตินั้นแล้วโดยปกติมันมันถือไปไหนมันจะถือไปไหนเหมือนกันมันพูดอาถาอย่างนั้นพอเป็นธรรมะทั้งมันอยู่แล้วมันถือไปไหนมันจะถือไปไหนเหมือนกันนั่นแหละเราเข้ามันว่าเป็นหฤทัยเสียเปลี่ยนที่คลุมพอพระเอาเสื้อเอาฝูแล้วไล่หนีหมดมันมันยุ่งเลยพอเสร็จแล้วถึงมาถามพระ ครับประโยคแรกเรื่องที่อภิปรายกันในภาคบทที่นี้ประกอบกันท่านอาจารย์จะตะปรายมองดูหน้าท่านครับแล้วไอ้ข้อที่ 2 ล่ะครับนะที่ 2 มี 2 นัยยะนัยยะ 1 คนจัดการทั้งหอนทําให้ยิ้มหวังนั้นนัยยะที่ 2 เข้าใจท่านทําเผลอนี่แหละผมต้องการตรงนี้ครับผมต้องการตรงนี้ผมแน่ใจตรงนี้ครับพวกท่านครับผมเผลอครับ ฉะนั้นการเป็นการตาผมจึงไม่อยากให้ใครมาเข้ามายุ่งกับผมผมก็ไม่รู้เรื่องกันนี่จริงๆแล้วเราไม่มีอะไรเราตายเนี่ยเราตายสบายหมดเราพูดอย่างอาหารนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากจะยุ่งกับใครนานาเราตายอย่างสนุกคนเราคนเดียวให้เต็มเพลนของเราที่ได้ปฏิบัติมามากแล้วในวาระสุดท้ายเรื่องของขันธ์ทุกขเวทนามันมีอะไรมันก็แสดงธรรมเรื่องของมันเล็กๆเล็กๆๆ ทั้งดึกหมานม้วนนำลบต่อไปก็ไปถึงไม้แห้งตั้งแต่ปล่งปังปงปังตนเลยมันมีวิญญาณใช่มั้ยล่ะไม้ไผ่นั้นเหมือนมีวิญญาณไผ่ก็เหมือนมีวิญญาณเจริญเตร่ขึ้นหมดกระจกฟ้านี่เหมือนมีต้นมีตัวเหมือนมีดวงวิญญาณอยู่ในนั้นไม้ก็อีกเสียงแตกป่งปังปงปังปงปังความคิดไม้มันรู้ความหมายมันมั้ยมันแตกมันรู้ความหมายมันมั้ยอืมไผ่ที่ลุกโครงโครงมันมันมีความหมายมันมั้ย มันมันไม่มีความหมายด้วยกันทั้งนั้นมีโดยพระขันธ์เหมือนกันมันจะเป็นลักษณะหลังเพราะอํานาจแห่งทุกขเวทนาที่เป็นเหมือนกับไฟไหม้ไม้ผักแห้งไม้ท่านสดๆอ่ะอันนี้ทุกขเวทนามันไหม้แล้วมันมันแสดงต่อไปนับนับเป็นตามเรื่องของขันธ์มันแสดงในขณะนั้นกามก็แสดงกามการข้างหลัง ตัวเผาไหม้ก็มีมรรคผลประมาณผลได้มีมรรคผลกากรรมผลของไหม้ของขาเองได้มรรคผลโยณาแต่มันแสดงเหมือนกับไฟไม่ไหม้นั่นแหละนี่ผู้ที่สร้างประมาณก็เคยจุดก็รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วเถอะไปไหนจะไปหลงไปที่ไหนกันเมื่อถึงตอนนี้มันหมดกําลังมันก็ดิบเหมือนกับไฟกับไม้ที่มันหมดกําลังเชื้อไฟก็หมดแล้วเราก็ยุบลงยุบลงก็ดับนั่น เพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนกันทุกเวทนามันก็ดับเมื่อมันหมดกําลังแล้วรานตาก็นิติทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวั่นไม่ตึงทุกเวทนาก็ดับความรักโลภโกรธมันออกแล้วนั่นจิตพอถึงปากพลังจึงก็เสื่อมถอยลงไปแล้วนงฟังมันหมดกําลังที่จะเป็นเครื่องมือของจิตได้คนนี้ล่ะท่านน่ะนะพี่ก็ขอตัวหากว่าจิตไม่มีที่เดชจะกระทัพก่อกําเนิดเกิดใหม่อีก ตามภพชาติด้วยตามภูมิของจิตถ้าจิตสิ้นแล้วจากกิเลสก็หมดห่วงภาระแห่งปัญจขันธ์ทั้ง 5 หมดห่วงทั้งเตสถี่ฝั่งนั้นนักศึกษานิพนโธไม่ต้องมายุ่งกันอื่นนี่อย่าเหมือนอยากที่เคยยุ่งมาแล้วนี้นี่ละการปฏิบัติบ่เห็นประการอื่นอย่างนี้สิว่าภรรณาว่าทุกขตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กหลอกเอ้ยทําบุญทําทานแล้วจะได้ไปสวรรค์ถึงชั้นเลย ในขณะนี้จะไปกับไม้ใจเหมือนเหมือนเป็นมันภาวตาห่างไกลนู้นยังจะได้สวรรค์นี้ฮะเหมือนสุคตาหรอพี่นานไปทําอะไรที่มันจะเห็นความสว่างสางเช่นนี้สุขายใสเป็นธุระภาพทําหมาใจอธิษฐานหมองสมที่สุดกับทําการผู้ที่จะรู้เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นทําใหม่จะไม่รู้ความบริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอืมไม่สุขเพราะอะไรพรรคสิ่งที่มาเปรียบคนนั้นออกหมดแล้วโดยสมมุติโดยประการทั้งปวง สิ้นไปโดยสิ้นเชิญสิ้นเชิญมันเลยพอเข้าปฏิบัตินั่นน่ะที่นี่หมดเรื่องงานของพระเรานับตั้งแต่พิจารณาเจอศาสนโลมานาฐานปาโตเลยมาจนมาทั้งถึงวาระสุดท้ายการจะมหาฤทธิ์มหาปัญญาอย่างเข้มข้นภาคพันธุ์ทั้งหลายที่ได้ทุกประเภทเสร็จสิ้นสูญไปจากไปแล้วนั่นน่ะสมมุติที่ทางธรรมะจะอย่างหมดแล้วการงานในศาสนานี่ภิกษุอาจารย์ได้หยุดแล้วก็หมายถึงการงานสําหรับที่ทํานั้นเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานคือความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างแท้จริงตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่ยุ่งกับอะไรอีกเนี่ยเรื่องที่ได้สรรหากับสถาบันได้เรื่องสมมุติทั้งปวงกับสถาบันทั้งกับจิตบริสุทธิ์ตัวนี้ไม่ทํานองนี้ผลงานการปฏิบัติเห็นประการอย่างนี้แล้วจะไปเอาที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่ไหนจริงที่ปกติดกําลังจิตใจไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามสภาพของของจิตแท้นั้นน่ะอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยงั้นมรรคคือทางปฏิบัติ มีศีติปัญญาสถาคมเป็นต้นดูที่ไหนถ้าไม่อยู่กับเราเราไม่คิดไม่ขึ้นมาจะให้ใครซื้อให้เรานะคุณคิดพื้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ขึ้นมาสิ่งนี้มีกําลังแล้วก็สามารถที่จะปรากฏสิ่งที่เป็นภาคถึงนั้นได้ขึ้นจะจะเอาไปดําดับจนกระทั่งถึงหมดไปโดยชิ้นเชิงเรียกนิโรธนิโรธครับทุกข์โดยดับดันิดผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับดันิดคืออะไรที่นี่นั่นนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์วิริยาทั้ง 4 ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่จินตนาการเท่านั้นผู้ ดูอาการข้างหน้านี้คือใครนั่นน่ะคือผู้บริสุทธิ์จนดูว่านั่นไม่ใช่เขาจะทําอือเอาละเอากันเนี่ยธรรมัญญาที่ไปเนี่ย